ที่เรียกตัวมาเป็นชาวพุทธคงคุ้นกับคำว่าพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนานี่เป็นคำที่มีความหมายนะกว้างขวางมากถ้าจะบรรจุอยู่ในหนังสือนะ <c oughs> ก็คือพระไตรปิฎกเนะี่ยสี่สิบห้าเล่มนะยากที่จะจดจำได้หมดนะ แต่ถ้าจะกล่าวอย่างย่นย่อนะก็มีแค่สองนะก็คือธรรมะและวินัยนะธรรมะนี่เป็นหมายถึงคำสอนนะของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดาของเราส่วนวินัยเนี่ยก็เป็นข้อบัญญัตินะ ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องนะกับพระสงค์โดยตรงแต่ที่จริงก็เกี่ยวข้องกับคารวาสเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าไม่มีรายละเอียดเท่ามาเท่ากับของพระอันที่เเรียกว่าคีหิวในเนะี่ยีหิก็คือเขเลือหัดนะนผู้ครองเรือนนะ ก็มีวินัยเหมือนกันควบคู่ไปกับการปฏิบัติธรรมอย่างพระเนี่ยเมื่อกี้ก็สวดเนี่ยถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของพิสุทั้งหลายศิกขาเนี่ยก็ก็คือวินัยนั่นแหละเพราะว่าวินัยก็ประกอบไปด้วยสิกขาบทต่างๆนะหลายข้อนะ จำแนรแล้วก็มี227ข้อเศรษฐาเนี่ยคือวิทย์ในคราวนี้ว่าเฉพาะธรรมะเนี่ยนะก็มีมากมายนะแต่ว่าถ้าจะกล่าวอย่างย่นย่อนนะก็มีสามก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือว่าในบางครั้งท่านก็ กล่าวยักยยงอีกแบบหนึ่งน็คือทานศีลภาวนาการปฏิบัติธรรมของพวกเราชาวพุทธหรือว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนนะก็หนีไม่พ้นเนี่ยทานศีลภาวนา <c oughs> ซึ่งก็มีความหมายเกียวกับศีลสมาธิปัญญานะแต่ว่า เน้นกันคนละแหนะทานนี่เราก็ทราบดีว่าหมายถึงอะไรนะเศีนก็เช่นกันคนไทยเราเนี่ยเราให้ความสําคัญแล้วเราก็ถนัดนะในเรื่องการให้ทานในเรื่องการรักษาศีลส่วนภาวนาเนี่ยนะก็อาจจะให้ความสําคัญน้อยหน่อย หรือว่าไม่ค่อยได้ใส่ใจกันเท่าไหร่เนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าดูมันเป็นเรื่องยากนะเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องไกลเกินชีวิตประจำวันของเรานะแต่ที่จริงมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากนะเกินวิสัยในการทำความเข้าใจและในการปฏิบัติ นี่ถ้าถามว่าภาวนาเนี่ยจะจะกล่าวอย่างย่อยๆเนี่ยคืออะไรนะหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยท่านเคยกล่าวว่าเนี่ยการกระทําที่ย่อที่สุดเนี่ยก็คือเห็นนะอันนี้ท่านก็เลงถึงการภาวนา ย่อที่สุดเนี่ยอาจจะหมายถึงว่ากล่าวแบบยอ่อยๆหรือกล่าวให้ให้สั้นที่สุดเนี่ยคือเห็นย่อเนี่ยจะหมายถึงย่นย่ อ, ยอระยะทางแล้วก็ย่นเวลาก็คือว่ามันไม่ทําให้เสียเวลามากมันไม่ใช้เวลามากแล้วก็ไม่อ้อมนะแต่ว่าตรงเลยนะเห็นเนี่ยนะคือเป็น หลักการภาวนาที่มันตรงนะสู่จุดหมายนะของการภาวนาคือความพ้นทุกนะอันนี้สำคัญมากนะฮะที่หลวงพ่อท่านได้กล่าวไว้เนี่ยเห็นเนี่ยคือกลางกระทนที่ย่อที่สุดนะนะมันย่นเวลามัน ร, ร่นระยะทาง แล้วก็เป็นการปฏิบัติที่กินความนะได้อย่างมากมายนราจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่เอามาใช้ได้ทุกเวลาทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติใหม่ หรือว่าผู้ที่จัดเจนนะเป็นนักเรงภาวนาเนี่ยเห็นเนี่ยนะมันเป็นหลักการที่ใช้ได้นะตั้งแต่ต้นนะจนถึงที่สุดจะว่าเป็นพื้นฐานก็ว่าได้นะ คล้ายๆกับว่าคนที่จะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนปถมหรือว่าจบปริญญาเอกทักษะพื้นฐานที่ต้องมีนะก็คืออ่านออกเขียนได้จะเรียนสูงแค่ไหนเนี่ยก็ต้องอ่านออกเขียนได้เพียงแต่ว่าความสามารถเนี่ย นะในการอ่านออกเขียนได้นะก็แตกต่างกันไปนะระหว่างนักเรียนประถมเด็กมัธยมหรือนักศึกษาปริญญาเอกนะเห็นเนี่ยนะมันก็พอจะเทียบเคียงได้อย่างนั้นนะฉนั้นถ้าใครเนี่ยที่สนใจภาวนาเนี่ย อาจจะต้องเข้าใจนะแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญนะของสิ่งที่หลวงพ่อคำเขียนเรียกว่าเห็นที่จริงคำว่าเห็นเนี่ยมันก็เป็นคำที่มีความสำคัญนะที่พระพุทธเจ้าเนี่กล่าวอยู่เสมอ เห็นในที่นี้ไม่ใช่ความเห็นนะความเห็นก็อันหนึ่งความเห็นอาจจะเป็นเรื่องของความคิดถ้าคิดตรงตามความเป็นจริงอันนี้เราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกแต่เห็นที่มันผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงก็มีส่วนเห็นเนี่ยมันก็คือการเห็นของจริงนะ เห็นความจริงบางทีท่านก็ใช้ว่าเห็นธรรมเนี่ยเนในอริยทรัพย์นะที่เราเสื่อกันอยู่บ่อยๆเนี่ยศรัท ธ, ธาเสียความเลื่อมใสและความเห็นธรรมให้เนืองๆอันนี้เป็นอริยทรัพย์หรือว่าผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงันคลอนแคลน เขาควรพ่อคูรอาการเช่นนั้นไว้นี่ก็เห็นทำที่ทำเฉพาะหน้าเนี่ยก็ว่าทำในที่นี้ก็หมายถึงทุกอย่างเลยนะรวมทั้งธรรมารมนะธรร ม, มารมเนี่ยมันก็คือทุกอย่างในที่ใจไปรับรู้จะคิดดีคิดร้ายนะความโกรธความรักความเมตตาพวกนี้ก็เป็นธรรมารมณ์ซึ่งก็เป็นส่วนของคําว่าทำ เห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอาจจะรวมถึงสุขเวทนาทุกเวทนาความเจ็บความปวดความเมื่อยก็ได้นะันนี้เราเห็นด้วยสตินะเห็นด้วยสติงั้นถ้าเราเพียงแค่ฝึกจิตให้เนี่ยให้เห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยแล้วก็เห็นอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยแล้วก็ตั้งมัน่น ก็คือไม่แสบสา ย, สายไม่คลอนแคลนไม่ไม่ไม่ขาดช่วงเนี่ยนะไม่สะดุดเนี่ยนะโอ้นี่มันก็ทำให้เกิดความก้าวหน้าในทางภาวนามากขอควรพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้นะเห็นญากนั่นคือเห็นด้วยปัญญานะอย่างที่เราสวดกันในบางในบางครั้ง เมื feedback, ่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อใด้บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อใด้บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นยอมเหนื่อยในในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตกลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเห็นเนี่ยหรือการกระทําเนี่ยเนี่ยที่เรียกว่าเห็นเนี่ยนะ สำคัญมากเราไม่ได้เห็นด้วยตาแต่เห็นด้วยใจใจในที่นี้ก็อาจจะจําแนกเป็นเห็นด้วยสตินะก็เห็นด้วยปัญญานะสำหรับ ภ, ภาวนาเนี่ยเราก็ต้องเริ่มต้นจากการเห็นด้วยสติก่อนะสตินี่หลวงพ่อคำแก่นท่านเรียกว่าตาในนะใหอเห็นรูปเนี่ยนะเราเห็นด้วยตาเนื้อ แต่ถ้าเห็นธรรมารมหรือสิ่งที่เกิดกับใจแม้กระทั่งอาการที่เกิดกับกายนะเฉ่ความปวดความเมื่อยความสบายนะอันนี้นะต้องใช้สตินะเวลาหลวงพ่อคำเขียนท่านพูดกับว่าเห็นเนี่ยท่านก็จะตามมาด้วยคาว่าอย่าเข้าไปเป็น แปลว่ามันตรงข้ามกันหรือว่าที่มันตรงข้ามกันเพราะว่าพอถ้าเห็นเนี่ยนะมันจะไม่เข้าไปเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเวลามีอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นแม้จะเป็นอารมณ์ที่เราไม่ชอบเป็นอารมณ์ที่เราชังด้ซ้ำเจนความโกรธความเครียดความเศร้าความหงุดหงิด เราไม่ชอบนะเราอยากจะกําจัดมันอยากจะผลักไสออกไปแต่ก็เผลอนะเข้าไปเป็นทุกทีหลวงพ่ อ, อเขียน้าเปลี่ยนมันก็จลงไปในน้ำเนะี่ยคนที่ไม่รู้จักเห็นเนี่ยนะมันจะเข้าไปเป็นคือโจลงไปในน้ำ มันเป็นน้ำเชี่ยวด้วยนะบางครั้งนะเป็นอารมณ์ที่เชี่ยวกรากโกรธนะคับแค้นเศร้าซึมแล้วก็เกิดความทุกข์ตามมาแต่ถ้าเห็นนะั่นนะก็เหมือนกับว่า ออกมาจากน้ําเชี่ยวขึ้นมาอยู่บนฝั่งนะขึ้นมาฝั่งขึ้นมาอยู่บนฝั่งเนี่ยก็เห็นกระแสน้ําที่มันไหลอันนี้คืออาการหรือสภาวะของผู้ที่เห็นคือผู้ขึ้นฝั่งมันต่างกันมากเลยนะระหว่างผู้ที่อยู่ในน้ำกับผู้ที่อยู่บนบกหรือผู้ที่ขึ้นฝั่ง มันต่างกันตรงกันข้ามกันทีเดียวเห็นเนี่ยก็คืออยู่นิ่งๆนะเราเห็นกระแสน้ามันไหลผ่านแต่เป็นเนี่ยคือโดนกระแสน้ามันพัดพาไปเปียกปอนแล้วนักปฏิบัติเนี่ยนะอะโดยเฉพาะผู้ที่สนใจภาวนาเนี่ยะจะต้องแยกแยะให้ได้นะระหว่างเห็นกับเป็นเนี่ยคํามันใกล้เคียงกันมากนะ แต่ว่าอาการสภาวะหรือการปฏิบัติเนี่ยรวมทั้งผลที่ตามมาเนี่ยมันมันมันต่างกันเยอะหลายคนเนี่ยภาวนามานานมามากมายเข้าคอร์สก็เยอะแต่ก็ไม่เข้าใจนะคำว่าเห็นมักจะเผลอเข้าไปในอารมณ์ เพียงแต่ว่าที่ยังสงบได้เพราะว่าอารมณ์โกรธอารมณ์เครียดมันมันไม่โผล่มาอที่สงบได้เนี่ยเพราะมันยังไม่โผล่มาที่มันไม่โผล่มาก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีอะไรมากระทบเป็นเพราะว่าทุกอย่างมันเรียบร้อยนะมันโอเค แต่พอมีอะไรมากระทบหรือว่ามีอะไรที่มันไม่เป็นไปดังใจเนี่ยก็จะโกรธขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นปัญหาของนักภาวนาจำนวนไม่น้อยหลายคนก็มาปรึกษาตารมาว่าเนี่ยทำไมเนาะเข้าคอสภาวนามาหลายครั้งแต่มันก็ยังโกรธง่าย ขณะที่เพื่อนบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้เข้าคอร์สมา ก, มากแต่ว่าเขาอารมณ์ดีนะใครว่าอะไรเขาก็ไม่ค่อยโกรธเท่าไหร่อันนี้เป็นปัญหานะที่เกิดกับนักปฏิบัติหลายคนมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะไปเข้าคอร์สเลยเข้าคอร์สสั้นๆภาวนาเนี่ยหนึ่งวัน ตอนที่ปฏิบัติเนี่ยก็สงบ เ, เพราะว่าปฏิบัติในห้องแอร์แต่ละคนก็ภาวนาของตัวไปนั่งบ้างเดินบ้างไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกันไม่ได้มารบกวนกันก็ภาวนาจนเย็นพอจะกลับบ้านก็เดินไปที่รถ รถจอดไว้แต่พอเห็นรถเนี่ยของตัวเองออกไม่ได้เพราะว่ามีอีกคันเนี่ยจอดซ้อนเน่โกรธเลยนะถุนเฉียวถึงกับพูดตะโกนด่ารถหรือเจ้าของรถเนี่ยที่จอดซ้อนคันนั้นคนที่เห็นเหตุการณ์ก็ตกใจโอ้ทำไมนักพอรนาถึงเป็นอย่างนี้นะ เมื่อเช้าเราก็มาสักครู่ยังสงบอยู่เลยแต่ทำไมตอนนี้นะกลับชุนเฉียวเนี่ยถึงกับภูมิอารมณ์ไม่อยู่เนี่ยคือตโกรดในใจก็ว่าไปอย่างแต่นี่พูดด่างมาเลยคนที่ไม่ภาวนาหลายคนก็ไม่ทำอย่างนั้นก็แค่เก็บความไม่พอใจไว้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะ จริงในสมัยพุทธกาลก็มีนะพุทธเจ้าเนี่ยเคยตรัสถึงพรามณีคนหนึ่งนะชื่อนางเวเทหิกานางเวเทหิกาเนี่ยแกแกก็ภาคภูมิใจในตัวเองเราแกเป็นคนสงบนะเป็นคนที่อารมณ์เย็นกิริยามารยากิริยามารยาจก็เรียบร้อยแกก็เขา เขาเจะาตัวเองในปฏิบัติดีแล้วก็พูดทำนองชมตัวเองัองกนกระทั่งนางทาสีคนหนึ่งได้ยินก็สงสัยว่าที่นางเวทีกาเนี่ยไม่แสดงความโกรธออกมาไม่แสดงความหึงหยออกมาเนี่ยเป็นเพราะเธอไม่มีความโกรธแล้วหรือเป็นเพราะไม่มีอะไรมากระทบไม่มีอะไรมาทำให้ไม่พอใจเป็นเพราะว่าทุกอย่าง คล้ายๆก็ทาให้เรียบร้อยราบรื่นนางก็เลยแกล้งทดลองนะนางทาสีเนี่ยแกล้งนอนตื่นสายหน้าที่ที่ควรทําก็ไม่ได้ทํานางวเวทีกาก็พอเห็นก็ด่าเลยนะีนางทาตุนะทาไมไม่ตื่นวันะที่สองนางทาสีก็ทําอีกนะนางวเวทีกิกาก็ ด่าแรงขึ้นนางทาเสียงนี่ก็ก็แน่นะไม่หวั่นไหวหวันที่สามเอาอีกนะนอนตื่นสายตอนนี้นางเทธิกาโกรธมากเลยด่าไม่พอแนละงวธกาทำร้ายเลยนางทาสีก็เลยก็เลยเมันกัททานองว่าเนี่ยพูดตอกเลยนะว่าเนี่ยวัี่ทันเนี่ยนะ มีความสงบในจิตใจนะไม่แสดงอาการโกรธหงุดหงิดออกมาเนี่ยนะไม่ใช่เพราะาท่านไม่โกรธนะแต่เป็นเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติเรียบร้อยนะเป็นที่พึงพอใจของท่านท่านจึงไม่โกรธนะแต่เมื่อใดก็ตามทีนะ่มีคนปฏิบัติไม่พอใจไม่ถูกต้องนะเนี่ยก็จะโกรธขึ้นมาทันที อันนี้มันก็สะท้อนนะสะท้อนเป็นอุปมาอุปหมายให้กับนักปฏิบัตินะได้ดีนะว่าไอความสงบของเราเนี่ยนะมันเกิดจากอะไรแน่นะมันเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่สงบราบเรียบทุกอย่างเลิ่นเลอเพอร์เฟกหรือโอเคหรือเป็นเพราะว่าเรานะรู้ทันอารมณ์โกรธความงุดหงิดที่เกิดขึ้น นะเป็นเพราะเห็นหรือเข้าไปเป็นนั้นถ้าเราไม่ฝึกจิตนะให้คล่องแคล่วในการเห็นนะแล้วก็เผลอเข้าไปเป็นนะได้ง่ายเพียงแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยมันเป็นผู้สงบ นะไม่ใช่เห็นความสงบแต่พอมีอารมณ์ที่ทำให้กับ พ, พอมีอะไรมากระทบหรือไปกระทบกับอารมณ์ใดไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงรถนะด้วยความหงุดหงิดเกิดความไม่พอใจขึ้นมาและสมัยนี้เนี่ยนะมันมีอะไรมากระทบได้ง่ายมากแล้วก็เยอะตลอดเวลาด้วย ยั้นถ้าเราไม่ฝึกความสามารถในการเห็นได้ไวเนี่ยอันนี้ก็จะพัดเข้าไปนะในอารมณ์หรือว่าตกตามนะโดนน้ำมันพัดไปนะเป็นกระแสะแห่งอารมณ์ถ้าเราเห็นนะได้ไวนะ เห็นได้คล่องแคล่วเนี่ยมันก็จะวางได้ง่ายไม่ใช่เฉพาะวางอารมณ์ที่พอใจเฉนความสงบความปิติยังรวมถึงอารมณ์ที่ไม่พอใจคนเราเนี่ยไม่ได้ยึดเฉพาะสิ่งที่ให้ความสุขกับเราสิ่งที่ทำความทุกข์ให้กับเราเราก็ยึด ไม่ว่าจะเป็นรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสหรือธรรมารมเสียงไหนที่เราไม่ชอบเนี่ยนะเช่นเสียงคนคุยกันข้างนอกข้างข้า ง, างเสียงโทรศัพท์ที่ดังกลางวงเราไม่ชอบเนี่ยทันทีที่มันดังเนี่ยนะจิตเราไปจับตรงนั้นเลยแล้วก็ไปจ่อตรงนั้นแหละ อาตมาพูดอะไรไปไม่สนใจแล้วมันไปยึดแล้วเนี่ยคำพูดใดนะที่มันทำให้เราเจ็บปวดเรายิ่งจดจำตรงไหนที่ปวดตรงไหนที่เมื่อยจิตมันจะไปจับตรงนั้นแหละทั้งทั้งที่มันเป็นแค่หนึ่งเปอร์เซ็นของร่าง ก, กายอวัยวะอื่นอีกเก้าสิบเก้าส่วนนะไม่ปวดไม่เมื่อยนะ จิตไม่สนใจจิตม่ไจ้จอมันจะจับไปตรงที่ปวดที่เมื่อยมันจะไปยึดเอาเวทนานะเป็นผู้ปวดนะไม่ใช่แค่ให้กายปวดอย่างเดียวกายเป็นผู้ปวดไปด้วยอันนี้เราถึงทามารมหรืออารมณ์ต่างถ้าไม่เห็นนะมันเข้าไปยึดแต่ถ้าเห็นนะนมันวาง เราต้องฝึกปล่อยวางนะด้วยการเห็นนะไม่ใช่ปิดหูปปิดตาไม่รับรู้พอคิดว่าพอไม่รับรู้แล้วมันก็จะวางได้แต่น่ า, า จ, จะวางได้ชั่วคราวหรืออาจจะปิดโทรศัพท์จะได้ไม่มีข้อความไม่มีข่าวสารที่มารบ ก, กวนใจ แต่ทั้งที่รู้ว่าเปิดโทรศัพท์ทีไรมันก็จะมีข้อความมีข่าวสารที่รบกวนใจทำให้กระเพื่อมก็ยังอดไม่ได้นะถ้าเห็นมันปิดอยู่ก็ต้องเปิดตื่นเช้าขึ้นมาต้องเปิดนะทั้งที่รู้ว่าพออ่านข้อความแล้วในทางเฟ e b o o กหรือไลน์เนี่ยก็จะหงดหงิดแต่ก็อดลนทนไม่ได้ต้องเปิดถ้ามันความอยู่ก็ต้องพลิก นะเพื่อมาดูข้อความที่ปรากฏบนจอมีใครบอกกับเราว่าเนี่ยคนนี้เขาดินทาเธอนะคนที่เขาว่าเธอร์นะปฏิกิริยาแรงคนส่วนใหญ่คือถามว่าเขาว่าอะไรอยากจะรู้เขาว่าอะไรฉันถามว่ารู้แล้วเนี่ยได้ยินแล้วเนี่ยจะรู้สึกยังไง หลายคนคงตอบได้ว่าคงจะไม่พอใจก็โกรธก็ในเมื่อรู้ว่าโกรธรู้ว่าไม่พอใจแล้วทำไมอยากรู้นะนี่เป็นความจดจ่อยอีกชนิดหนึ่งนะมันเป็นความยึดติดอีกแบบหนึง่งเราไม่ได้ยึดติดเฉพาะสิ่งที่ให้ความสุขกับเราสิ่งที่ทำความทุกขให้กับเราเราก็ยึดติดและบางทีแสไปหาด้วยแสไปหาไปรับรู้ ด้วยตาบ้างด้วยหูบ้างบางทีก็เดินไปเดินไปเลยนะไปหาไปถามไปซักรู้แล้วก็ทุกนะเพราะตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้รู้เฉยๆนะมันเข้าไปเป็นแล้วมันไม่เห็นอารมณ์นะที่เกิดขึ้นเมื่อถูกกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย หรือทางใจก็ต่างควาว่าเห็นเนี่ยนะมันก็มีจะเรียกว่ารายละเอียดหรือว่าตัวเสริมนะอันที่หลวงพ่อเขนนั้นเคยเล่าก็สมัยที่ปฏิบัติใหม่ๆกับหลวงพ่อเทียนนะพอจะรู้แนวาทางการปฏิบัติแล้วนะ วันหนึ่งขณะที่ท่านภาวนาอยู่ในกุติสมวงพ่อเทียนก็มามาสอบอารมณ์ก็ถามท่านว่าทำอะไรอยู่หรือพ่าอมเถียวบอกกำลังภาวนาครับกำลังปฏิบัติครับหลวงพ่อเทียนก็ถามว่าเห็นข้างนอกไหม หลวพ่ออมคำเขียนเขบอกว่าไม่เห็นครับทำไงถึงจะเห็นอ่ะต้องเดินมาที่ประตูพอเดินมาที่ประตูเห็นข้างนอกไหมเห็นครับเห็นข้างในไหมเห็นครับเออนะให้ทาอย่างนั้นนะเห็นทังข้างนอกข้างในอย่าเห็นแต่ข้างนอกแล้วก็จะเห็นแต่ข้างในแล้วท่านก็เดินผ่านไป เป็นการแนะนำนะที่ใช้เวลาไม่นานแต่ก็ทิ้งคําถามให้กับหลวงพ่อจนกระทั่งท่านได้พบคําตอบอ๋อเห็นทั้งข้างนอกข้างในนะคือหมายถึงว่าไม่เห็นแต่ข้างนอกแล้วก็ไม่เห็นแต่ข้างในก็คือว่าไม่ปล่อยใจหรือไม่ส่งจิตออกนอกหรือว่าไม่เพ่งเข้าในไม่เพ่งเข้าในไป อาจจะไปเพ่งที่ความคิดไปดักจ้องความคิดหรือไปเพ่งนะที่อวัยวะนะส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อจะบังคับจิตให้มันสงบน่าเห็นที่ถูกเนี่ยคือไม่เห็นท้งข้างนอกและไม่เห็นไม่เห็นแต่ข้างนอกแล้วก็ไม่เห็นแต่ข้างในก็เห็นทั้งข้างนอกและข้างในจะเรียกว่าไม่เผลอก็ได้แล้วก็ไม่เพ่ง หรือว่าขนาะเดียวกันเนี่ยก็พร้อมจะรับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นข้างนอกแต่ก็ไม่ได้ไปจดจอ่อหรือไปฟุ้งอยู่กับมันแล้วก็ไม่พลัดเข้าไปในโลกแห่งความคิดบางคนไม่รับรู้อะไรเลยนะเพราะใจกำลังหมกมุ่นคุ้นคิด คนมาหาก็มองไม่เห็นเพราะใจเนี่ยกำลังจมอยู่กับความคิดกำลังลุกตังวลบางอย่างคนมาเรียกก็ไม่ได้ยินนะเพราะกำลังอยู่ในภาวะซึมเศร้านะคนที่อยู่ในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยนะเพ่งเข้าในมากไม่ไปรับรู้อะไรข้างนอกเลย หลายคนติดอารมณ์เนี่ยเพราะจิตมันเพ่งเข้าไหนกรณีแบบนี้ก็ต้องดึงจิตหรือไอ้ต้องแงะจิตงัดจิตออกมารับรู้ภายนอกแ่นคนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าปล่อยอยู่นิ่งๆเนี่ยนะมันจะจมวนอยู่กับโลกแห่งความคิดและส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเรื่องอดีตที่เจ็บปวดออกมาไม่ได้จนกว่าจะ มีคนมาชักชวนมาพูดมาคุยอย่างเคยมีคนที่ไปโลกซึมเศร้าคนหนึ่งมาบวกอกลุ่พ่อมำเขียนแทนที่ท่านจะพาปฏิบัติท่านก็พาไปชมชมนกชมไม้พาไปเดินเที่ยวป่าถามว่านี่อะไรนี่ดอกอะไรนี่ใบนี่ต้นอะไรมันต้นนี้มันมีนิสัยยังไงชวนคุยเพื่ออะไรนะ เพื่อดึงจิตออกมาข้างนอกเพราะว่านี่เพลงเข้านายมากไปแล้วมีทั้งปฏิบัติธรรมคนหนึ่งนะก็มาฟังหลวงพ่อมาทำวัดทุกเช้าฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติตั้งใจมากตั้งใจจน เครียดวันหนึ่งทำวัดก็ไม่มาได้เวลาฉันได้เวลากินข้าวก็ไม่ปรากฏตัวลุงพ่อพอฉันเสร็จก็เลยไปที่กุฏิแล้วก็ถามว่าเนี่ยโยมเป็นยังไงบ้าง พยงคณาตีนเสียงหลวงพ่อก็พูดก้นมาเลย ว, ว่าหลวงพ่อช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยผมด้วยเกิดอะไรขึ้นเหรอแกบอกว่ามือเนี่ยนะที่ยกมือสร้างจังหวะเนี่ยมันค้างมันวางไม่ได้เอามือลงไม่ได้มันค้างเนี่ยบอกค้างตั้งแต่ตีสามแล้วนะที่อยู่ในมือที่ยกมือเนี่ยนะมันค้างเนี่ยนะรู้ค้างในท่า น, นีหรือค้างในท่านเนี่ยนะ แต่มันแงะไม่ได้อะมันออกมาไม่ได้อะวางไม่ได้อะคิดดู่ากตีสามนะจนถึงเช้าเนี่ยแปดโมงเนี่ยกี่ชั่วโมงนะหลวงพ่อรูล้ลวเกิดอะไรขึ้นหลวงพ่อก็เลยชวนคุยโยมมีลูกกี่คนนะแล้วลูกทำงานมีครอบครัวกันแล้วหรือยังนะมีหลานกี่คนนะ ตอนนี้นะโยมอยู่กับลูกคนไหนนะแกก็เล่าแกก็คุยเรื่องลูกเรื่องหลานบางจังหวะหลวงพ่อก็แยง้งนะนะแกก็ชี้แจงคุยอยู่สักพักประมาณสักห้า น, นาทีนะอยู่ๆเนี่ยไอ้มือที่ค้างอยู่ก็ตกลงมายังไม่รู้ตัวนะนะหลวงพ่อคุยอยู่สักพักก็รู้อ๋ หลุดแล้วเนี่ยเนี่ยมันมันมั น, ม, นมันหลุดตอนไหนนะอันนี้พ่ อ, อะไรหลวงพ่อสิ่งที่หลวงพ่อทําคือพยายามดึงจิตเข้าออกมาข้างนอกเพราะจิตมันเพ่งเข้าในมากมันเสียสมดุลไปนะอันนี้ก็เป็นปัญหาหรือกับดักของนักภาวนานะเพียงแต่ส่วนใหญ่จะไม่ถึงขั้นมือค้างนะ หรือถึงขั้นที่ว่าซึมเศร้านะแต่ว่ามันก็เกิด อ, อาการเครียดปวดหัวแน่นหน้าอกอันนี้ก็เรียกว่าเห็นไม่ถูกนะมันเข้าไปเป็นสะละนะสิ่งที่จะช่วยทำให้เราเข้าใจนะคำว่าเห็นได้ดีขึ้นก็คือคำว่ารู้ซื่อๆรู้เฉยๆนะรู้ซื่อๆรู้เฉยๆ เพราะถ้าไม่รู้ซื่อไม่รู้เฉยๆนะมันจะเข้าไปเป็นรู้เฉยๆไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายหรือใจมันจะน่าพอใจไม่น่าพอใจแค่ไหนก็แค่เฉยๆอารมณ์ที่น่าพอใจก็ไม่ไปเคลิมคล้อยกับมันนะอารมณ์ที่ ไม่น่าพอใจหรือมีอะไรมากระทบทำให้ทุกข์ก็ก็แค่รู้ไม่ไปผักใสนะไม่ไปต่อต้านแค่รู้เฉยๆอ้อมันเกิดขึ้นหลวงพ่อเขียนท่านแยกแยะระหว่างว่าโอ้ยกับอืมมีเสียงมากระทบหู ความไม่พอใจเกิดขึ้นโอ้ยหรนะือบางทีเราเหยียบนะเหยียบปวดเหยียบผินโอ้ย น, ะ น, นี้มันเข้าไปเป็นละเป็นผู้ปวดมันไม่ได้เห็นมันไม่ได้รู้ซื่ อ, อแต่ถ้าพอกระทบนะทบทางกระทบทางหูกระทบทางกายทางเท้าเสียงดังกวดแหลมอืม อืมอย่างเนี้ยนะก็ ค, คือรู้ซื่อสื่อสังเกตมั้ยเวลาเราเหยียบปรวดนะอาตมาพาคนเดินอยกรมนะบ่อยครั้งกใกล้ถอดรองเท้าเนี่ยพอไปเหยียบเข้านะเจ็บมันไม่ใช่แค่กายเจ็บนะมันมีกูเจ็บด้วยมันเป็นละจิตมันก็ไปจอเข้าไปยึด ไปจดจอ่อไปยึดกับความเจ็บไปยึดความเจ็บเอาไว้แทนที่ไม่ใช่แทนที่กายเจ็บเดี๋ยวกูกเจ็บหรือว่าจิตมันเจ็บ ด, ด้วยอันนี้ไม่ได้รู้ซื่อๆนะส่วนใหญ่คนเราไม่ได้รู้เวทนานะเราเป็นเราไม่ได้รู้ความปวดเราเป็นผู้ปวดเราไม่ได้รู้ความเมื่อยเราเป็นผู้เมื่อยเพราะเราไม่รู้ไม่รู้จากคำว่ารู้ซื่อ แทนที่จะเห็นความปวดมันก็เข้าไปผักสายมันก็เป็นเลยเป็นผู้ปวดแต่พอเห็นนะเห็นความปวดนะจิตมันไม่ไปยึดความปวดนะจิตมันหรือว่าอจิตที่มันเคยเคยยึดความปวดเนี่ยพอมันเห็นอาการนี้นะของจิตนะจิตมันวางความโล่งเกิดขึ้นเคยพาโยมกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปเดินเหยียบ ไปแถวบ้านพุทธมนรทาเนี่ยแล้วบ้านพุทธมนรทาเนี่ยมันก็มีถน น, นลาดยางซึ่งน้ำกัดนะน้ำกร่อนจกนกระทั่งยางเนี่ยนะมันมันไม่เรียบบางช่วงก็ขุกคราบแล้วก็กรวดหินมันก็โผล่มาเวลาเดินหลายคนก็เจ็บ บางคนเนี่ยเหงื่อออกเลยนะบางคนเนี่ยแค่เห็นกรวดข้างหน้านี่นะตัวมันก็แข็งแล้วเกรงเลยนะใจหายจะพอพาเขาเดินทุกวันทุกวันแล้วก็ให้รู้จักเห็นให้รู้ทันความไม่พอใจโท่สะที่เกิดขึ้น เวลามันเกิดความปวดเมื่อเท้าเหยียบกรวดแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยไอเหยียบเหยียบกรวดเนี่ยนะส่วนใหญ่ไม่ได้เจ็บที่เท้าเดียวมันเจ็บที่ใจด้ยวยเพราะใจมันไม่รู้ทันมันไม่เห็นความมันไม่เห็นความโกรธความไม่พอใจที่เกิดขึ้นแล้วมันก็เลยเป็นยึด เวทนาความปวดแล้วมันก็ไปจดจ่อเท้าที่ปวดนะพอเดินอย่างมีสติให้รู้ตัวทั่วพร้อมอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็รู้นะมีความกลัวเกิดขึ้นก็เห็นมันเฉยๆนะพอวันที่สามวันที่สี่เนี่ยนะนะมีบางคนเขาเล่าวันเนี่ยนะเหนียบปวดนะมันปวด แต่พอมีสติเห็นความปวดนะเขบอกจิตมันโล่งเลยมันโล่งเลยมันโล่งไม่ใช่เพราะว่ายกเท้านะแต่มันโล่งเพราะใจมันวางใจมันวางไอเวทนาความปวดใจมันเห็นความไม่พอใจใจมันเห็นโทสะที่เกิดขึ้นพอมันวางเนี่ยจิตมันเบา เท้ายังปวดอยู่นะแต่จิตมันเบานะ น, นี้เพราะรู้ซื่อๆเพราะเห็นนะมันก็ไม่เข้าไปเป็นอันนี้เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติของการภาวนานะนะที่พวกเราเนี่ยนะในเมื่อมามาเจริญสติแล้วเนี่ยนะต้องต้องต้องทำให้คล่องแต่ก่อนจะทำให้คล่องได้ต้องเข้าใจนะ แต่จริงๆจะเข้าใจได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยการปฏิบัตินะเพราะว่าคิดเอาไม่เข้าใจหรอกมันต้องปฏิบัติเมืองจึงจะแยกได้ว่าอ๋อระหว่างเห็นความคิดกับเข้าไปในความคิดมันต่างกันอย่างไรระหว่างรู้ซื่อๆกับรู้แล้วไปยึดนะเพราะว่าสติไม่พอสติไม่ไวพอมันต่างกันอย่างไรบางคนก็บอกว่าทาไม เมื่อโกรธแล้วก็รู้ว่าโกรธนะแต่ว่ามันไม่หายโกรธอาจจะเป็นเพราะว่าสติเราอ่อนเหมือนไฟเหมือนน้ำที่มันน้อยเนี่ยมันก็ไม่อาจจะดับไฟที่มันแรงได้น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟมากอันนี้เป็นภาคิเป็นสัมโนนโบราณอารมณ์โกรธเหมือนกับไฟที่มันมากพอเราปล่อยให้มันยืดเยอะเรื้อรังหรือปล่อยให้มันลุกลามไปเยอะแล้วส่วนสติของเรามันเป็นแค่สติ ที่ยังฝึกใหม่นะมันก็เหมือนกับ น, น้าน้อยก็ไม่อาจจะดับไฟได้น้ํำไฟท่วมกองใหญ่เราเอาปืนฉีด น, น้ำยิงเข้าไปมันก็ไฟมันก็ฟอไปสักหน่อยนะแล้วมันก็ลุกโผล่ขึ้นมาใหม่เื่องจะเป็นเพราะว่าน้ําที่เราสสา่เข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่เป็นน้ําสะอาดแต่มันเป็นน้ําเจอด้วยน้ามัน มีน้ำมันเจือปนนะมันก็เลยไม่ดักนะหมายความว่าเวลาเรามีเวลาเรามีสติรู้ทันความโกรธเนี่ยมันเป็นไม่ใช่สติบริสุทธิ์มันไม่ใช่สติร0อยเปอร์เซนแต่มันเจือด้วยความไม่ชอบความรู้สึกลบต่อความโกรธมันมีมันมีมันรู้สึกลบ ซ้อนอยู่แทรกอยู่ในระหว่างที่รู้ว่าโกรธพอรวบโกรธปุ๊บเนี่ยมันมีความสึกอยากจะกดข่มความโกรธอยากจะกําจัดความกรธให้หมดไปจะเรียกว่าตันหาก็ได้นะมันมีตันหาที่ซ้อนซ่อนหรือแทรกอยู่แล้วมันเกิเลยไม่ใช่รู้เฉยเฉยมัน มีความรู้สึกอยากจะกดอยากจะข่มอยากจะผลักอยากจะดับความโกรธไอ้ตรงนี้แหละที่มันทำให้ความโกรธเนี่ยมันมือนกับได้เชื้อมันมันก็ไฟมันได้น้ำมันที่มันซ่อนอยู่ในน้ำที่สาดเข้าไปนั่นเราจะรู้ทันความโกรธเนี่ยเพระต้องรู้ทันความรู้สึกว่าใจตอนนั้นไม่เป็นกลางกับความโกรธนะใจมันรู้สึกลบ นะกับความโกรธต้องเห็นตรงนี้ด้วยนะเพราะตรงถ้ามันมีตรงนี้มันจะทําให้ไม่ใช่รู้ซื่อซื่อมาล้วแล้วอยากจะเข้าไปเหยียบนะอยากจะเข้าไปจัดการนอ่นกะ็ว่ารู้ซื่อซื่อเนี่ยมันมั น, ม, นมันละเอียดนะงั้นถ้าเรารู้แล้วเนี่ยนะออ่ถ้าเรารู้จริงจริงหมายถึงว่ารู้ซื่อซื่อรู้ด้วยสติที่บริสุทธิ์เห็นด้วยสติที่บริสุทธิ100์ร้อเปอร์เซ็นเนี่ยความดับมาความโกลมก็จะ ดับไปมันก็จะจางหายไปเพราะมันไม่มีเชื้อเชื้อของความกลัวคือความหลงความไม่รู้ตัวแต่ตอนที่เรามีสติมีความรู้ตัวเนี่ยมันก็ไม่มีเชื้อมันไม่มีที่ตั้งมันก็ดับไปแล้วมันจะพ้นจากภาวะเป็นนะภาวะผู้เป็น แล้วก็จะทำให้เราเข้าใกล้กับสิ่งที่หลวงพ่อพูดว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรนะคํานี้นี่ก็เคยอธิบายไปแล้วเมื่อปีที่แล้วว่ามันมีความหมายอย่างไรบ้างเฉพาะวันนี้ก็พูดแค่สองอย่างคือนะคือไม่เข้าไปเป็นไม่เข้าไปเป็นมันไปเป็นเนื้อเป็นตัวไปเป็นหนึ่งเดียวกับมันไม่ไปยึดมั่นว่ามันเป็นเราเป็นของเราแล้วก็ไม่เป็นปฏิปักษ์กับมันนะแต่ว่า มันมีความหมายที่ลึกไปกว่านั้นนะซึ่งวันนี้ก็คงจะไม่ได้พูดนะก็จะเน้นเฉพาะเนี่ยเห็นรู้ซื่อแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นกับอารมณ์ใดๆเนื่อเพราะทำอารมณ์ที่เกิดขึ้นแถ้าเราเห็นอย่ไงนะเห็นภาวะทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายก็ดีกับใจก็ดีเนี่ย หวงพ่องเขียงก็จะย้ำเลยนะถ้าเห็นทุกเนี่ยก็พ้นทุกทุกในที่นี้พื้นฐานเลยคือทุกขเวทนาเห็นทุกขเวทนาเห็นความปวดความเมื่อยเนี่ยมันก็พ้นความมันก็พ้นจากความทุกเห็นความปวดที่เกิดขึ้นกับกายเนี่ยพอเห็นนะไม่ข้อไปเป็นนะใจมันสบายอันนี้ก็เรียกพ้นทุกเห็นทุกก็พ้นทุก ทุกในที่นี้คือทุกโเวทนนาถ้าเราเห็นมันอันนี้เห็นด้วยสติมีสติเห็นความปวดความเมื่อยใจมันก็โล่งโปร่งอันนี้เราพ้นทุกไอ้กาางยังทุกอยู่นะแต่ใจไม่ทุกแล้วแต่ที่มันลืบไปก็คือเห็นด้วยปัญญาทุกในความหมายที่สองเนี่ยหมายถึงทุกในอริยสัจหมายถึงทุกในไตรลักษณ์นะเห็นทุกตัวแรกเนี่ยคือเห็นทุกในอริยสัจสี่ย ความโกรธความคับแค้นความโศนะหรือทุกข์ธรนักเนี่ยเห็นด้วยสติมันก็หลุดมันก็หายใจก็สบายแม้แต่เห็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายใจก็โปร่งโล่งอันนี้เราคนทุกข์ในระดับหนึ่งเห็นทุกข์ระดับที่สองคือเห็นด้วยปัญญาและทุกข์ที่ว่านเนี่ยก็คือทุกข์ในไตลักษณ์ คือเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกเป็นหมดนะจิตมันก็ไม่ยึดแล้วมันก็วางมันก็พ้นทุกข์นะการปล่อยวางเนี่ยนสําคัญมากเนี่ยหลวงพ่อเขียนท่านเรียกว่าเนี่ยเราการปฏิบัติก็คือการปล่อยวางทางจิตบางทีท่านก็บอกการปล่อยวางเนี่ยคือหัวใจของกรรมฐานมันปล่อยวางให้เพราะเห็นเห็นด้วยสติ และต่อมาก็เห็นด้วยปัญญาได้เห็นด้วยสติเนี่ยกับเห็นด้วยปัญญาก็สัมพันธ์กันเพราะว่าถ้าเห็นด้วยสต ENCE, ิบ่อยๆเห็นของจริงเห็นของจริงบ่อยๆเห็นอาการที่เกิดขึ้นกัการกับใจบ่อยๆไม่ใช่ไปเห็นสีเห็นแสงไม่ใช่ไปเห็นสิ่งที่ปรุงแต่งเห็นของจริงเนี่ยตอบไปได้เห็นความจริงเห็นสัจธรรมเห็นสัจธรรมว่าสิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์มันไม่น่ายึดถือเลยมันไม่ดีสักอย่าง เมื่อไม่ตีสักอย่างจะยึดไปทไํามก็ปล่อยวางเมื่อปล่อยวาง น, ะนั่นแหละนะก็คือความพ้นทุกข์แล้วก็เช้านี้ขอพเท่านี้นนะร์